มาดูในตารางต่อเลยเนาะม <c oughs> ินิใช้โดยนายะที่11เอนี่ย น, นะกล่าวถึงโดยประเภทแห่งธรรมะที่นับเข้าในอริยสัจมาดูทุกขสั์ว่าขอบเขตของทุกขสั์นั้นขนาดไหนเว้นตันหาและอนาสวะธรรมคือธรรมที่ไม่มีอาสวะ คือเว้นตัวโลภะเสียเว้นโลกุต ร, ระธรรมเสียธรรมะที่เหลือทั้งปวงนับเนื่องเข้าในทุกขสัตว์เว้นตัวโลภะที่เป็นสมุทัยสัตว์เว้นโลกุตระธรรมที่เป็นมรรคผลธรรมะทั้งหมดนั้นเป็นทุกขสัตว์ก็ขอบเขตขอบขายกว้างขวางมาก ก็ที่เราคุ้นเคยกันนะนะจะเรียกแบบขันท่าเราก็คุ้นเคยกันก็คืออุปาทานขันท่านั่ น, นแหละถ้าเป็นหลายๆแห่งก็ใช้คําว่าส ก, กายะนั่นนะสกายะบางแห่งก็ใช้คําว่าโลกใช้คําว่าโลกจริงๆก็คือทุกขสัตว์ทั้งหมดนั่นแหละบางแห่งก็ใช้คําว่าอุปธินั่นะนะอุปธิซึ่งหมายถึงขันท่านะอุปาทานขันท่า บางแห่งก็แสดงโดยอายตนะบางแห่งก็แสดงโดยความเป็นธาตุบางแห่งก็แสดงโดยเป็นอินทรีย์นันทุกขสัตว์นั้นก็แสดงโดยประการต่างๆนะอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์ของการแสดงโดยประการต่างๆเพื่อให้ปัญญาเนี่ยแยกประเภทได้ปัญญาที่แยกประเภททุกขสัตว์ได้เท่าไหร่ อัฏฐปฏิสัมพิทาก็กว้างขวางเท่านั้นดังการเอาทุกมาจำแนกมาแจกแจงโดยประเภทก็เพื่อให้ปัญญาที่เกิดโดยประเภทรอบรู้ในประเภทต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะก็เป็นอาหารหรือเป็นอารมณ์ของอัฏฐปฏิสัมพิทาเพราะว่าทุกขศาสตร์นั้นเป็นอารมณ์ของอัฏถปฏิสัมพิทาส่วนสมุทัยศาสตร์นั้นก็ มาจำแนกประเภทเป็นถ้าย่อๆก็เคยได้ยินสามใช่ไหมการมตัญหาภาวะตัหาวิภวะตัญหาอีกในหนึ่งตันหาสามอันเนี้ยมีอารมณ์หนั่นะมีอารมณ์หเช่นมีเรียกว่ารูปถ้ามีรูปเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปประตัญหาถ้ามีเสียงเป็นอารมณ์เรียกสัทธาตัญหาถ้ามีกลิ่นมีรสมีโพธภะ มีธรรมะเป็นอารมณ์ก็ตามชื่อนั้นไป <c oughs> นี้ตัณหาสามเหล่านี้เนี่ยคูณอารมณ์หกก็จะได้เท่ากับตัณหาสิบแปดตัณหาสิบแปดอันนี้แบ่งเป็นภายในกับภายนอกเป็นเท่าไหร่สามสิบหกอนะในอดีตมันก็เคยเป็นอย่างนี้แหละตัณหา อนาคตต่อไปมันก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้พันตันหาทั้งสามสิบหกดังกล่าวไปแล้วคูณการสามเท่ากับร้อยแปดอันนี้อีกปริยายหนึ่งนะถ้าอีกปริยายหนึ่งอย่างตันหาวิจริตสามสิบหกเนี่ยนะอันนี้แสดงตามคำพีอังกุตรนิกายจตุกานิบาศในจตุกานิบาศมีอยู่ที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็คือใน คำพีคุตตะวัตถุวิพังเนี่ยนะอัฐารสกะนิเทศอัธารสกะแปลว่า18เนี่ยนะหัวข้อว่าด้วย18ทีนี้18บแเรียกว่าตันหากลุ่มภายในกับตันหาภายในนะปรารบภายในนี่ปรารบภายนอก18 18บวก18ก็เป็น36 คูณการสามก็เป็นร้อยแปดนั้นปริยายว่าด้วยร้อยแปดเนี่ยมีมีอยู่สองในตันหาร้อยแปดเนี่ยมีสองในน่น ตัณหา108เนี่ยมีอยู่2องสอนด้วยกัน2องในก่อนนะจำง่ายๆว่าตัณหา3ตัณหา3ก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณ ห, หาใช่มั้ยตัณหา3เนี่ยคูณอารมณ์6เนี่ยนะอารมณ์6เท่ากับ38นั่นเอง กลายเป็นว่าตันหาสามสิบแปดอขอโทษนะสิบแปดสิบแปดเนี่ยคูณภายในกับภายนอกคูณสองตันหาของเรากับตันหาของเขาอ่ะนะก็เลยบวกกันได้เยอะเลยเป็นสามสิบหกสามสิบหกก็คูณอีกสามคือการสามเท่ากับร้อยแปดอันนี้ในที่หนึ่งะตันหาร0อแปดในที่หนึ่ง อีกอนนะในที่สองในที่สองก็คือตันหาอ่า น, นะวิจริตก็คือมันมันพิสารเนี่ยนะวิจิตนะนะั่นแหะตันหาวิจิตภายในสิบแปดอ่า น, นะภายนอกสิบแปดสิบแปดเช่นว่าเราจักเป็นเรา นะเกี่ยวกับเรื่องเกับเราเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างอื่นอะไรเป็นต้นเนี่ยพวกกลุ่มเนี้ยมันมีอยู่ส8บดหัวข้อมันส8บแบวกสบก็เป็นสามสบหก็คูณการ3มอีกเท่ากับร0 8แปดก็ตัหาเกี่ยวกับตันหาวิจิตภายในส8ภายนอกส8บนั้นจะเอามาแสดงก็โอ เอาเวลาไปเยอะมากก็เลยเอาไว้ก่อนไปดูเอาหน้าในที่ในในั้นก็อ้างไว้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างแต่มีที่หนึ่งคืออังคุตระนิกายจตุการนิบานแต่อ่านเข้าใจยากยากก็ดูในในอภิธรรมวิพังจะดีกว่าก็สรุปว่าตัณหามันชอบทุกเรื่องอะ น, นะเว้นโลกุตรซะซะชอบหมดเ จะเอาพิสดารเท่าไร่ก็ได้นะอันนี้เรียกว่าแบบหลักการคำนวณให้ดูคร่าวๆแต่ถ้ากล่าวตามสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหาประมาณไม่ได้นะมันถ้าเป็นเราเองก็เว้นกุศลเวน้นอกุศลอื่นๆซะที่เหลือก็เขาเนี่เป็นเป็นแหล่งพลังงานของของตันหาเลยแหละก็ไม่มีขณะใดที่ว่างจากตันหาด้วยนะตันหาเนี่ยมากจริงๆ สังขารทุกๆอย่างนะแม้กระทั่งโอกาสสโลกเนี่ยนะโอกาสสโลกเนี่ยจะเรียกว่ามีตัณหาเป็นปัจจัยก็ไม่ผิดอย่างเช่นเทวดาเนี่ยนะเทวดาเนี่ยมีวิมานเนี่ยวิมานเนี่ยเป็นอุตตุชรูปแต่มีกรรมเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นปัจจัยแม้กระทั่งโลกเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกเนื่องจากหมดบุญจากพรหม มันก็ต้องมีโอกาสเป็นที่อยู่ใช่ไหมก็ที่มาของของโลกเกิดขึ้นก็เป็นผลพวงของตันหาทั้งหมดถ้ากล่าวโดยสุดตันตนาย น, นะแต่กล่าวตามนพระสูตรอะไรบ้งที่ไม่ได้เกิดจากตันหาดูการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยเป็นผลของตันหาหมดเลยนะการก่อสร้างทุกชนิดนการออกแบบทุกเรื่องที่เห็นเห็นในโลกเนี่ยเป็นอารมณ์ของตันหาหมดหรือเป็นผลผลิตของตันหาทั้งหมดก็ไม่ด มันตัณหานี่มันกว้างขวางมากแม้กระทั่งจะทําบุญนะวัตถุเป็นที่ทําบุญก็ยัง น, นะยังวิจิตเลยนผลท่าอะไรที่ตัณหาไม่ชอบนะบุญอันนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเลยเช่นเอาดอกไม้ที่ไม่ค่อยประทับใจไปบูชานะโสมนัสไหม บุญก็เกิดรี ร, รีเต็มทีเหมือนกันมแต่ถ้าวัตถุใดที่เป็นวัตถุแห่งตันหาแรงกล้าเนี่ยแล้วสละเอาวัตถุนั้นทำบุญได้อะนะโดยมากจะจะโสมนัสเนี่ยนะทั้นแดนโคโจรของตันหาเนี่ยมันกว้างขวางจริงๆเว้นโล ก, กุตระธรรมซะก็ดูว่าอะไรมั่งที่สัตว์ไม่ชอบไม่ใช่เราอะนะหมายถึงสัตว์ทั้งหมดอะไม่เราชอบคนอื่นก็ชอบจนได้ อย่างที่กล่าวว่าโดยที่สุดแม้สิ่งปฏิกูลก็ยังมีสัตว์ ท, ที่ที่ชอบเนี่ยนะนี่มาดูนิโรสัจจานั้นถ้าโดยสภาวะเนี่ยนิโรสัจจะไม่มีอะไรเจือปนัน่บางแห่งเาบอกว่าไม่มีอุปมาไม่มีอุปมาในที่ไห น, ไหนก็ไม่มีสภาวะอะไรมาเป็นเครื่องเครื่องเปรียบเลยเพราะพระนิพพานมีสภาวะตรงข้ามจากสังขารทั้งปวง นะไม่มีในบรรดาสังฆตาธรรมทั้งหมดไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนๆเพราะมีสภาวะเป็นอารูปแล้วก็พระนิพพานเนี่ยไม่มีการรู้อารมณ์ตัวนิพพานนะตัวนิพพานนั้นไม่ใช่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์พระองค์ตรัสว่าเป็นอายตนะถ้าว่าอายตนะก็ถูกนะเพราะเป็นอะไรธรรมายตนะเป็นอารมณ์ของจิตใช่ไหมเป็นอารมณ์ของ มัคจิตผลจิตแล้วก็เป็นอารมณ์ของโคตรภูญานเป็นอารมณ์ของปัจเวคขณะยานเป็นอารมณ์ของอภิญญาพะนั้นก็นับว่าเป็นอายตนะเหมือนกันเป็นธรรมายตนะเป็นธรมนนธรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่ได้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นนะไม่ได้ทําให้ใครทําให้นิพานเกิดเด้วเป็นธรรมชาติไม่เป็นแล้วภูตะหมายถึงขันห้าเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามกับขันห้า อันปัจจัยกระทำไม่ได้แล้วคือไม่ถูกอะไรทำขึ้นเนี่ยนะปรุงแต่งไม่ได้แล้วคือไม่ถูกอะไรปรุงแต่งแม้แต่หน่อยเดียวเนี่ยคือไม่มีอะไรแต่งขึ้นสร้างขึ้นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการสลัดเอ่อเพราะเนื่องจากว่าพระนิพพานเนี่ยนะที่เป็นอายตนะเป็นอาชาตังอาภูตังอากตังอาสังคตังเนี่ยธรรมชาตินี้มีอยู่ การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยกระทาแล้วปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏถ้าไม่มีสภาวะของนิพพานนะไม่รู้จะออกจากทุกข์ได้ยังไงถ้าเอาโดยโดยเหตุผลทั่วๆไปมานะเพราะว่าจิตเจตสิกเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของจุติปฏิสนธิอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะแม้แต่อากาศยังเป็นอารมณ์ของจุติปฏิสนธิ จิตเจตสิกรูปเป็นอารมณ์ของจุติปฏิสนธิเพราะฉะนั้นถ้ายังมีการโคจร อ, อยู่ในสิ่งเหล่านี้นะอย่างไรเสียก็ต้องมีการจุติปฏิสนธิเนี่ยนะอันนีพานเนี่ยเป็นมีอยู่นั้นผู้ที่ปฏิบัติจนแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยจึงออกจากปฏิจุติปฏิสนธิได้เรียกว่าออกจากแดนโคจรแห่งจุติและปฏิสนธิอันถ้ายัง ไม่สามารถมีอาสังคตะทมเป็นอารมณ์นะไม่มีการพ้นจากจุติและปฏิสนธิเพราะแม้กระทั่งเกิดในสุขติก็เรียกว่ายังอยู่ในจุติปฏิสนธิอยู่ดีพันถ้ายังมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์อยู่นะอย่าคิดเลยว่าจะพ้นจากความเกิดและความตายนีย่นะเปรียบง่ายๆว่าวถ้ายังมีขันห้าแบบนี้นะอย่าคิดว่าจะเลิกกินใช่ไหม เพราะมันมีขันธ์มันต้องเติมเชื้อเพลิงอยู่ตลอดนะถ้ารู ป, ปรขันธ์ก็ต้องเติมกับปริงกระหานธาตุเวทนาขันธ์ก็ต้องเติมภาษาหารมโนถ้าพบสามก็ต้องเติมที่มโนสันเจตนาหานนามรูปก็เติมวิญญาณอาหารมันถูกเติมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะถ้ายัางอยู่ในแดนโคจรคืออาหารสี่อย่างไรเสียก็จุติปฏิสนธิก็จะไม่พน้น เพราอย่างเรานั่งอยู่เฉยๆนี่เนี่ก็อารมณ์เหล่านี้มันเป็นอารมณ์ของจุติปฏิสนธิอะอะไรมั่งไม่เป็นอารมณ์ของจุติปฏิสนธิมีพระนิพพานอย่างเดียวทีนี้พระนิพพานนั่ น, นคืออะไรเนี่ยนะสมมุติถ้าเราจะจำแรกอย่างที่ว่านะถ้าถ้ามีผมผมเป็นอนนนะารมณ์ของจุติปฏิสนธินี่นะเกสรเนี่ยเป็นอารมณ์ของจุติปฏิสนธิ พิจารณาอย่างไรจึงจะหลีกออกจากผมได้โดยที่ไม่มีผมเป็นอารมณ์นะแต่แปลามาด้มีสังขารนั้นอื่นนหะลีกออกจากผมได้เนี่ยคิดยังไงจึงจะหลีกออกได้นั้นอารมณ์ที่หลีกออกได้อ น, นั้นแหละเป็นที่หลุดวงโครจรแห่งจุติปฏิสนธินั้นธรรมชาติของพระนิพพานนั้นจึงเป็นสภาพที่ไม่เกิดเนี่ยนะไม่เกิดเพราะไม่มีใครทาให้เกิดแบบขันท่า ไม่ได้เกิดแบบขันหา้าเป็นธรรมชาติที่ไม่มีแบบขันหา้าไม่ใช่ขันหา้าภูตะเนี่ยหมายถึงขันหา้ามันไม่ใช่ขันหา้าแล้วก็ไม่มีใครไปทำขึ้นได้ด้วยตอนนี้ผ่านไม่มีใครไปสร้างขึ้นได้แล้วก็เป็นสภาพที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งเมื่อสภาวะนี้มีอยู่การออกจากทุกข์จึงมี น, นการออกจากทุกข์จึงมีถ้าสภาวะนี้ไม่มีอยู่การออกจากทุก มีไม่ได้นี่นะปล่อยก็เมื่อใดที่ปล่อยสังคตาแล้วจึงจะเห็นเนองเออปล่อยก็เมื่อใดที่ปล่อยสังฆตะธรรมแล้วจึงจากม่สังคตาธรรมนี้อส า, าธะมันแรงไหมไ ม, ไม่แรงน ะ, งนะ เ, ดเดี๋ยววันไหนจะชวนไปจเจริญกุศลเนี่ยขมม่าไม่ตกรูไปหรือเปล่า <c oughs> สังคตาธรรมมันแรงมากมันดูดเนี่ย น, นะ โน่นนะคุณวุญชูดูดไปถึงรา ช, ชบุรีแล้ววันนี้เอาสังฆะ ธ, ธรรมมันดูดอักสาธ ร, ร ม, มันดูดไปถึงรา ช, ชบุรีนะอยคิดนะว่าอสสาธ ร, รมไม่แรงเนี่ยมันก็ดูดไปประเทศโน้นบ้างดูดไปประเทศนี้บ้างดูดไปบ้านโ น, น้นเมืองนี้ดังเกตจะถูกดูดไปถึงไหนกรุงเทพเลยเหรอโน่นนะอสาธ ร, รอยู่ที่กรุงเทพเท่านัเอาไม่อยากได <c oughs> ้ยังไงไม่เชื่อหรอก <c oughs> ไอไออยากมันอยากแบบปริมาณมันใหญ่โตนะ ก็ยังนึกอัศาธาอยู่จนได้อะเชื่อ <c oughs> ถ้าไม่เพลิดเพลินนะั้นมันต้องเป็นอาทีนวานุปัสนาแผ่ไปก่อนนะใช่ไหมเออถ้าอย่างนั้นอนะ่ะเชื่อเลยว่าอืมใช่ใช่ใชอ๋อไม่ไม่จะอะไรก็ช่างเถอะมันจะการงานขนาดไหนก็ช่างเถอะมีอาัศาธาหมดอ่ะเชื่อคนที่ที่จะไม่อสิ่งนั้นจะไม่เป็นอารมณ์ของอาัศาธาคือเห็นโดยอนุปัสนาเจ็ดเอออันนั้นใช่ละ่ะขณะนั้นนี่อาทีนวะปรากฏ โดยที่สุดนี่จะไปอินเดียนี้ก็ไปด้วยอาสาทะนั่นแหละอย่าว่าเรื่องอื่นเนนะแม้กระทั่งจะไปทาบุญก็ไปด้วยอำนาจอาสาทะคือถ้าถ้าคนที่อาก่มอาทีนวานุปัสนามนนะแม้แต่เห็นกุศลจิตก็ยังเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอาตา โดยที่สุดมนุษการธาตุของพระพุทธเจ้านะจะธาตุสี่ธาตุใดก็ตามก็ต้องมนสิการโดยโดยอนุปัสนาเหมือนกันอ น, นันทาอย่างนั้นเชื่อเลยว่าเออใช่ไม่ค่อยอัสาธาหรอกแต่ถ้าลืมเมื่ อ, อไหรก่ก็เอาอีกแล้วอัาธาก็ปรากฏอีกแล้วแต่ทีนี้ว่าโดย ท, ทั่วไปนะเราก็เอาแบบอะไรนะปริมาณของตัญหาหยาบๆเป็นเครื่อง <c oughs> เครื่องว่าเออชอบไม่ชอบก็เอาแบบ อย่างโอ้อาหารอันนี้ไม่ชอบหรอกแต่ทานได้ตกลงชอบหรือไม่ชอบกันแน่อาหารนะอย่างดื่มน้ำเปล่าเนี่ยชอบหรือไม่ชอบเนี่ยน่าอร่อยเลยแต่ทำไมดื่มได้ล่ะนะก็มันมีอาตาทะโยนั่นแะแม้กระทั่งยาขมๆนะทำไมจึงกลืนกินได้ก็เพราะมันมีอาสาทะอริยาพิษทำไมไม่ดื่มว่ารสมันเท่ากัน เพราะมันอาทีนวะถ้าถ้าน้อมเป็นอาทีนวะจริงๆนะจะไม่มีคนเอาเลยจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจะไม่เอาเลยนะถ้าเห็นอาทีนวะจริงจะสิ่งนั้นคืออะไรก็ตามน่นะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์จะไม่มีฉันทราคะในสิ่งใดเลยเพราะอะไรเพราะอาทีนวะหรืออาทีนวะอาทีนวานุปัสนาของพระองค์นั้นมีกาลังถึงที่สุดแล้วพระอรหันต์เนี่ยนะ อย่าว่าการมาคุณอันเป็นของมนุษย์เลยแม้เป็นของทิพย์ก็ไม่มีอาสาทะนั่นนะไม่มีความไม่มีฉันทราคะเลยนั่นนะเคยได้ยินไหมโอโ้โหพระอรหันต์เนี่ยไปเที่ยววิจาร์เ อ, อ้วิมารเธอสวยจังมีหมนั่นนะไม่มีการไปเปรียบโอ้มันก็รูปประคับ น, นั่นแหละมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเ น, น, นีน่ยนะมีอยู่ เทวดาชั้นดาวดึงก็บอกมาใครที่ไม่เคยมาดาวดึงก็แสดงว่าพวกไม่รู้จักความสุขเหมือนกันเถอะที่นี่ยมันสุขที่สุดแล้วก็บอกว่าคําเนี่ยมันขัดกับคำํำพาหาันพาหันท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะนะั่นะเพราะพาหันท่านจะเห็นเป็นเป็นแบบนั้นท่านคนที่จะ อ, อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะจะต้องหลีกออกจากสัพเพสังขารทุกชนิดได้เนี่ยนะ ก็ของเราทั้งหลายเนี่ยนะมันลักษณะท่านอั ต, อตกถากับพระพุทธพจน์เปรียบเทียบให้เห็นว่าเหมือนลิงที่อยู่ในป่าจิตของเรานะียประดุดลิงที่อยู่ในป่าเคยเห็นลิงเนี่ยมันเกาะต้นไม้แล้วมันหลุดจากต้นไม้มนะีไหมเป็นไปได้ไหมลิงในป่าใหญ่นะหลุดจากต้นไม้เลยเลิกเกาะโขยเกี่ยวแล้วนะเกาะซ้ายาปล่อยซ้ายจับขวาเรียบร้อยแล้วนะเกาะขวา ปล่อยซ้ายเกาะซ้ายปล่อยขวาอย่างเนี้ยไปเรื่อยจิตของปุตุชนทั้งหลายเหมือนกันหมดอันนั้นมันเกาะไปเรื่อยไนงะเกาะสังข า, ขารธรรมเนี่ยนะทิ้งสังขารธรรมหนึ่งถืออีกสังขารธรรมหนึ่งอย่างเนี้ยนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ทวานตาบ้างเอาเลิกคิดทวานตาเดี๋ยวไปทวานหูต่อเลิกทวานหูไปรับอารมณ์ทาง มนโนทวารต่อมันเกาะไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันสิ่งทั้งหมดที่เป็นที่รับรู้เนี่ยมันคืออารมณ์ของจุติปฏิสนธินเนเมื่อใดที่เจริญวิปั ส, สนาจนเรียกว่าจนปล่อยอารมณ์เหล่านี้ได้จึงเลิกจุติปฏิสนธิไอคาว่าปล่อยได้จริงๆต้องมีอีกอารมณ์หนึ่งนะซึ่งไม่ใช่สังขารเหล่านี้ซึ่งผู้ที่จะบรรลุได้ก็อันเนี้ยสันทิฏิโกอากาลิโกเอหิปสิโกละ นะผู้ใดทําได้ก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ไดนะ้แต่ในขณะเดียวกันนั้นคนที่จะสลัดออกจากสังขารได้มันสลัดออกในลักษณะที่เรียกว่าป้องมองสังขาร น, นี่อนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาเนี่ยนะแม่นยําอย่างมากเลยนะแล้วมีความสําคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจริงจนปล่อยได้อะไม่งั้นเนี่ยปล่อยไม่ได้นะอันอ น, อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่เราพูดพูดกันเนี่ย โดยทั่วไปเนี่ยมันก็รู้ไม่ค่อยจริงถ้าคนที่รู้อันนี้จังจริงจะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์หรือถ้ารู้โดยความเป็นทุกข์จริงก็จะต้องไปมีเลยไปหานิพพานเป็นอารมณ์จนได้ก็เหมือนกับว่าถ้าใครรู้โทษของสิ่งใดจริงอ่ะนะก็จะต้องปล่อยสิ่งนั้นจนได้แต่ของเราก็สะสมอัธยาศัยเพื่อการปล่อยนะตอนนี้ยังปล่อยไม่ได้แต่ก็หวังใจไว้ว่าสักวันจะต้องปล่อยได้แหละนะ ถ้าไม่สามารถปล่อยสังขารธรรมได้นะไม่มีความพ้นทุกข์หรอกอยากคิดเลยวันลิงในป่าเนี่ยมันเกาะซ้ายเกาะขวาเกาะซ้ายเกาะขวาไปอย่างนี้แล้วมันจะเลิกเกาะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดชั้นใดก็ดีปุถุชนที่เป็นไปอยู่ในวัตฏะถ้าไม่เจริญวิปัสนาตามเห็นโดยอนุปัสนาเจ็ดในทุกอารมณ์เนี่ยนะในทุกอารมณ์เนี่ย ในทุกอารมณ์ที่คนนั้นรับอ่ะนะไม่ใช่ว่าในโลกและเอามาทำปริญญาหมดไม่ใช่หมายถึงทุกเรื่องที่เรามานัสิการถึงเนี่ยต้องเห็นโดยอนุปัสนาจิตถ้าไม่เห็นโดยอนุปัสนาจินะไม่ไม่ใช่ฐานะแต่ว่าอันนี้นี่เป็นของเราทั้งหลายนะทุกอย่างที่เรามานัสิการถึงแต่ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าท่านเอามามานัสิการทุกอย่างต่างกันนต่างกันยังไงบ้างพุ ก, กันอัตตะถาให้หน่อย มีความหมายว่ายัางไงวะของเรานะ่ต้องเห็นโดยอนุปัสนาจในทุกอารมณ์ที่เรามนัสิการถึงถ้าพระพุทธเจ้านะไปมนัสิการถึงทุกอารมณ์โดยโดยอนุปัสนาจิตก็วามค ว, วามต่างกันอยู่แล้วนะ <c oughs> พูดถึงว่า เอเราเรามุ่งปฏิบัติก็เพื่อปฏิบัติที่จะพายตัวเองดับทุกเด็ดตัวเองโดยเท่านั้นเองก็ย่อมแคบกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับเชิญผานเพราะฉะนั้นสมมุติว่าขันห้าอย่างเราเนี่ยนะฮะก็อย่างดีก็เราทําปริญญาในขันเราแล้วก็อาจจะขัอกรอ บ, อ ร, อบรอบข้างไม่มากนะักเนี่ยนะก็เพียงเท่านั้นนะฮะ แล้วเราก็ยังไม่มีไม่มีอภิญญาที่จะไม่มีอภิญญาที่จะไปขันอื่นๆที่มันอีกมากมายขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็วิกิจพิสดารเช่นในพลมในชั้นกามาวจรในใดทั้งหลายแม้แต่ในสัตว์นรกทั้งหลายนี่นะฮะเราก็แทบจะไม่ได้เข้าไปไปไปทําปริญญาเลยนะอันนี้คือต่างกาันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเอาทุกเรื่องมาทําปริญญา มืวานดูมหานิทานสูตรนั่นแหะมหานิทานสูตรนี่นะพอไปอ่านเรื่องเควนกุรุนั่นแหะมหานิทานสูตรนั้นกล่าวถึงพระอรหันต์สองประเภทคือพระอรหันต์แบบปัญญาวิมุตต์กับเจโตวิมุตต์นี่นะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอุปโตภาคาวิมุตตเนี่นะ พระอรหันต์ปัญญาวิมุตตเนี่ยมีอยู่มีอยู่ห้าประเภทอุปโตพาเขาวิมุตตก็มีอยู่ห้าประเภทนั่นะกน็ถ้าสนธนานิโรธสัจจะอยนะเอาเรื่องพระอรหันต์มาพูดก็ไม่ขัดกับคัมภีร์เราถือว่าเรื่องเดียวกัน ันนะปัญญาวิมุตติห้าเนี่ยอุพัโตอุพโตเนี่ยแปลว่าโดยส่วนสองนะวิมุตวิมุตแปลว่าหลุดพ้นแต่หลุดพ้นโดยส่วนสองคยดินะอุพัโตสุชาติอย่างงี้ใช่แปลว่าเกิดดีโดย บริสุทธิ์ทั้งทางพ่อทางแมะนะ่แต่ น, นี่ก็บริสุทธิ์โดยส่วนสองหรือหลุดพ้นโดยส่วนสองอุปโตภาควิมุตตก็มีห้ามาดูปัญญาวิมุตตหประการก่อนว่าหนึ่งเป็นที่เรียกว่าสุ ข, ขวิปัสสกนะสุ ข, ะนะส ข, ขวิปัสสกะหมายถึงว่าเจริญอนุปัสนาเจ็ดล้วนๆไม่มีชาญอะไรกับเข้าเลยะนะ ไม่ได้ปฐมฌานอะไรกับเขาสักอย่างแต่เจริญอนุปัสนาจนมรรคเกิดอะเจริญวิปัสนาจนได้ฌานที่เป็นฌานประเภทมรรคอันนี้ประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสุขาวิปสัสสกประเภทที่สองได้ปฐมฌานเนี่ยนะประเภทที่สได้ทุติยฌานประเภทที่สี่ได้ตติยฌานประเภทที่หได้จตุทัชฌานนนะมีอยู่หท่านด้วยกัน คือเช่นได้ปฐมฌานเป็นบาตรได้ทุติยฌานเป็นบาตรได้ตตยยฌานเป็นบาตรได้จตุตชฌานเป็นบาตรพวกนี้เรียกว่าปัญญาวิมุตตทั้งหมดนะมันผู้ที่ได้ปฐมฌานแล้วเจริญวิปัสนาพิจรารณาปฐมฌานแล้วบรรลุนะพวกนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตต์อยู่ดีส่วนอุพโตภาควิมุตตนั้นมีอยู่ห้าประเภทด้วยกันคือหนึ่ง ผู้ที่ได้อากาสาัญจายตนะแล้วเป็นบาทเจริญวิปัสนาแล้วบรรลุอันนี้ที่หนึ่งเนะได้วิญญาณัญจายตนะแล้วเจริญวิปัสนาบรรลุสได้อากินจัญญายตนะเจริญวิปัสนาแล้วบรรลุ4ได้เนวะสัญญาอ น, นะออกจากเนวะสัญญาเจริญวิปัสนาแล้วบรรลุห้า พระอนาคามีที่เข้านิโรธสมาบัตินะออกจากนิโรธแล้วบรรลุนะนะออกจากนิโรธแล้วบรรลุจึงมีอุพโตภาคาวิมุตห้าท่าประเภทด้วยกันห้านี้จะคูณสองอีกก็ได้นะเหล่านี้จะคูณสองให้ให้กว้างขวางอีกก็ได้เรียกว่าคูณทุระสองทุระสองคือ ปัญญาเป็นทุระกับศรัทธาเป็นทุระเนี่ยนะก็จะเป็นเท่าไรเป็นสิบเห็นไหมอุปโภพาเขาไม่มุดก็คูณทุระสองอกีกเหมือนกันก็จะเท่ากับสิบั้นพาหันจะแสดงอย่างนี้ก็เป็นพาหันเท่าไรละยี่สิบประเภทเแล้วยี่สิบประเภทนี้ก็แบ่งเป็นกลุ่มอะไรกลุ่มอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนากลุ่ม อ น, นุปัฏฐานาเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้แค่นี้ก่อนอยังไม่ได้เข้าหัวข้อที่ตั้งไว้เลยนะเนี่ยชั้นแรกก่อนนะหลุดพ้นจากรูปประกายหลุดพ้นจากรูปประกายด้วยอาการาสารันจากยาุทนะหลุดพ้นจากนามกายนามกายคืออาการาษาด้วยอริยมรรค